โมทนาแล้วก็เจริญพรยามเชา้าที่เราได้มาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีด้วยกันบุญอันเกิดจากการภาวนาบารมีที่จะกลายเป็นบารมีธรรมติดตามเราเป็นอุปนิสัยเป็นพลังชีวิตเป็นความเคยชินเป็นร่องรอยเมื่อไม่ ถึงหรื อ, อยังไม่รู้ถึงสิ่งที่พึงประสงค์ก็ยังจะทิ้งร่องรอยให้เราตามรอยอันเคยชินนั้นไปสู่สิ่งที่เคยทำแล้วก็จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมที่เราได้มาพบปะกันก็จะ เพิ่มเติมส่วนอันเป็นข้อรายละเอียดที่อาจจะมีประโยชน์หรือที่เรามองข้ามไปสำหรับใครผู้มองข้ามการศึกษาธรรมก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุ ถ, ถึง คำว่าประสบความสาเร็จถ้าไม่คิดจะประสบความสาเร็จการศึกษาการปฏิบัตินั้นมันก็ล่องลอยเมื่อจะทำอะไรให้สาเร็จก็จะต้องกระทาให้สุดกําลังสามารถหรือทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเมื่อยังทำสิ่งนั้นไม่ดีที่สุดไม่สุดความสามารถแล้ว การทำอะไรก็ตามก็ยากจะบรรลุความสำเร็จเมื่อเรามีความตั้งใจจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจจะนำพาชีวิตเดินตามพระพุทธองค์สังสมสิ่งประเสริฐเก็บเกี่ยวอริยทรัพย์ให้กับชีวิตของเราเนี่ย มันก็จะต้องมีความตั้งใจอย่างแท้จริงหรือคำว่าตั้งใจจริงจริงจริงที่จะศึกษาหรือที่จะกระทำในสิ่งที่พึงกระทำที่จะไม่กระทำในสิ่งที่มันไม่ควรกระทำที่จะเว้นในสิ่งที่ควรเว้นที่จะรักษาในสิ่งที่ควรรักษาอย่างจริงจังอย่างตั้งใจหรือแม้แต่ที่จะศึกษา ศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆคาว่าจริงๆหรือตั้งใจจริงมันจริงเป็นสิ่งที่ทำให้การกระทํานั้นมันจริงขึ้นมาได้เมื่อจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ผลก็จะปรากฏให้เราได้รู้ให้เราได้ทราบให้เราได้สัมผัสให้เราได้ถึง ขอบเขตแรกอันเป็นเบื้องต้นเลยสำหรับนักปฏิบัติที่พึงจะมีก็คือการเล่าเรียนในสิ่งที่ควรเรียนเท่านั้นแค่พอที่จะควรเรียนให้รู้และต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยและการเล่าเรียนนี้เป็นเบื้องต้นข้อแรก สำหรับการศึกษาก่อนจะลงมือทำอะไรทั้งหมดเราจะต้องเล่าเรียนในสิ่งที่ควรเรียนให้เข้าใจก่อนแล้วสิ่งที่ควรเรียนให้เข้าใจเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากไปเรียนแล้วก็ไปจำจำก่อนเริ่มเก็บเอามาจำจำ ทรงจำทาไว้ได้เริ่มทรงจำทาไว้ได้ไปเรียนแล้วไปจำไล่เก็บการจำจนสามารถทรงความจำไว้ได้นี่คือข้อแรกจำได้ถ้าคนไม่คิดจะจำเพราะโดยคิดแต่จะ ฟังให้เข้าใจเดี๋ยวเอามาฟังให้เข้าใจเดี๋ยวจะเอามาฟังให้เข้าใจหรือไปนั่งฟังให้เข้าใจจ้องแต่จะหาไอ้ตรงเข้าใจเข้าใจตอนฟังไม่ว่าฟังเฉพาะหน้าหรือไม่ว่าฟังอยู่ในเครื่องฟังก็ตามถ้าไม่คิดจะจํามันก็ยังไม่ใช้สิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงมันข้ามขั้นตอน ข้อแรกเลยคือต้องฟังแล้วจำให้ได้ก่อนการจำให้ได้เนี่ยเมื่อจำได้แล้วมันจึงมีสิ่งที่จำพร้อมจะเอามาใคร่ครวญได้ทุกครั้งทุกเวลาทุกลมหายใจที่อยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะต้องเกิดขึ้นจากการนำสิ่งนั้นมาใคร่ครวญมาพิจารณา จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองไม่ใช่เข้าใจพอตอนฟังแล้วเข้าใจนะฟังแล้วเข้าใจเนะี่ยมันเลยลอยเดี๋ยวเลือนเดี๋ยวหายเดี๋ยวคลุมเคลือแล้วก็ฟังใหม่แล้วก็ฟังใหม่แต่ข้อที่จะเป็นความมั่นคงชนิดที่ไม่หายไปคือความเข้าใจที่เกิดจากการพิจารณาคให้ควร พิจารณาใครควรจนเกิดความเข้าใจและให้ลึกไปกว่า น, นั้นจนสามารถที่จะพูดออกมาได้อย่างแคล้วคล่องคล่องใจคล่องปากนี่คือลำดับแรกของการเล่าเรียนยังไม่ใช่ระดับของการลงมือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเพราะเหตุที่ว่า สิ่งที่เล่าเรียนนั้นมันยังไม่ฝังไว้อย่างมั่นคงจึงทําให้คนที่มาศึกษามารับฟังเนี่ยไม่เกิดจุดคําว่าอิ่มการฟังไม่เกิดจุดคําว่าอิ่มการฟังไม่เกิดจุดที่เป็นการอิ่มการเล่าเรียนพอไม่เกิดจุดที่อิ่มการเล่าเรียนไม่อิ่มการฟังเนี่ย ก็จะฟังอยู่เรื่อยฟังไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยฟังอยู่เรื่อยเรียนไปเรื่อยเพราะยังไม่ให้ความรู้สึกถึงคำว่าอิ่มการฟังได้เลยหรือไม่อาจรู้ถึงคำว่าเข้าใจชนิดที่เป็นความใสกระชับจนมั่นใจในความเข้าใจได้เลย จึงฟังไม่จบจึงฟังไม่เลิกจึงฟังไปเรื่อยจึงฟังไม่เบื่อหรือบางทีไม่อิ่มการฟังแล้วก็ฟังนานๆทอได้ด้วยเหมือนกันเหมือนมันยังไม่กระชับความรู้ให้เกิดเป็นความเข้าใจแล้วอิ่มตัวพอเพียงขึ้นมาได้เลยนั้นนี่คือข้อนีข้อการฟัง มันจะต้องฟังในเรื่องที่ที่ควรต้องฟังและต้องเริ่มจากการจำสิ่งที่ควรจะเล่าเรียนแล้วก็ต้องจำให้ได้นะโดยข้อที่ต้องเรียนแน่ๆ แ, แล้วต้องเรียนให้รู้นะก็คืออริยสัจสีอริยสัจต้องเรียนให้รู้ ข้อแรกคือต้องเรียนให้รู้อริยสัจมีอะไรบ้างก่อนมีทุกขมีเหตุเกิดทุกข์มีความดับทุกข์มีวิธีให้ได้มาซึ่งความดับทุกขเรียนให้รู้มีสิ่งนี้แล้วท่องด้วยว่ามีทุกขเหตุเกิดทุกความดับทุกวิธีได้มาซึ่งความดับทุกทุก์ได้แก่อะไรถึงเรียนให้รู้ว่าทุกได้แก่อะไรอะไรคือทุกอริยสัจไปเรียนให้รู้ว่าอะไรคือทุกอริยสัจ ทุกมีหลายทุกข์ไปเล่าเรียนให้รู้อะไรคือทุกข Ariyasat ทุกข a r i y สั a t เขาบอกว่าหมายถึงเขตความรู้เรื่องขันเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะธรรมรมก็ต้องไปทําการท่องว่าทุกข a r i y a s a คือเขตความรู้เรื่องขันเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะธรรมรมการรู้แจ้งทุกข์ก็คือการศึกษา ขันทั้งหรู้แจ้งขันหรู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสปัตภธรรมรมนี่คือก็ท่องท่องจำอีกว่าทุกคือเรื่องขันเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสพัตภธรรมรมรู้แจ้งทุกคือรู้แจ้งเรื่องขันรู้แจ้งเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสพัตภะธรรมรมและคำว่ารู้แจ้งเรื่องขันก็คือรู้แจ้งอย่างไรจึงชื่อว่ารู้แจ้งเรื่องขัน สำหรู้แจ้งเรื่องขันก็ต้องเกิดการตามดูว่าขันได้แก่อะไรบ้างก็ต้องไปศึกษาให้รู้ว่าขันได้แก่อะไรบ้างขันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องไปท่องอีกว่าขันหเนี่ยได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องไปท่องรูปได้แก่อะไร ต้องท่องหิวรูปได้แก่อะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรเรียนให้รู้คืออะไรแล้วก็ต้องท่องจำด้วยรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรต้องเปิดท่องให้จำท่องให้จำเมื่อท่องให้จำแล้ว ก็ต้องท่องอิยว่ารูปนั้นประกอบจากอะไรเกิดจากอะไรไปศึกษาให้รู้ว่ารูปเกิดอะไรแล้วก็ต้องจํารู้เกิดจากดินน้ําไฟลมจําเอาไว้เวทนาเกิดจาก菩萨จําเอาไว้สัญญาสังขารเกิดจาก菩ะจะําไว้วิญญาณมีเพราะมีรูปเวทนาสัญญาสังขาจรจําเอาไว้นี่คือจําไว้ต่อมา ศึกษาให้รู้ว่าจะพิจารณารูปอย่างไรรูปเนี่ยพิจารณาเห็นอย่างไรเขาให้พิจารณารูปพิจารณารูปเยอะเลยให้รู้ว่ารูปนั้นประกอบจากอะไรมีธรรมชาติอย่างไรคำว่ามีธรรมชาติอย่างไรต้องต้องไปนั่งท่องอีกว่าการให้รู้จากรูปมีธรรมชาติอย่างไรก็คือให้เห็นว่ารูปเป็นสิ่งเกิดดาบ รธรรมชาติของรูปเป็นยังไงรูปเป็นสิ่งเกิดดับนี่คือท่องการรู้จักธรรมชาติของรูปก็คือต้องรู้ว่ารูปเป็นสิ่งเกิดดาบรูปเป็นสิ่งบังคับไม่ได้รูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงรูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ได้มีเราในรูปไม่ได้มีร uh> ูปเป็นของเรานี่คือธรรมชาติของรูปและรูปเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เกิด เพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดและเป็นสิ่งที่ต้องดับไปนี่คือการรู้จักธรรมชาติของรูปและต้องท่องไม่ใช่แค่ฟังหรือเข้าใจท่องก่อนว่ารูปมีธรรมชาติเกิดดับรูปเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงรูปเป็นสิ่งบคับไม่ได้รูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ได้มีเราในรูปรูปเป็นสิ่งปรุงแต่งนี่คือการท่องนะ นี่คือการท่องต้องท่องก่อนเรียนและท่องก่อนต่อมาเมื่อมีเนื้อหาสัญญาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในใจท่องจนขึ้นใจเดินท่องเนี่ยก็เรียกว่าเดินสาธยายมนท่องถ้อยคำอย่างนี้เลยพุทธการก็ท่องกันอย่างนี้เลยเขาจําไปก่อนท่องแล้วค่อยไปตามพิจารณาไข้ควรเพื่อให้เห็นจริงว่าเออรูปเนี่ย เป็นสิ่งเกิดดับเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่เราอนมันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงมันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ประกอบจากดินน้ำไฟลมมันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยน่มันเป็นยังไงอันนี้ต้องไปใครครวญเพื่อเข้าถึงความเข้าใจแจ่มแจ้งดยการพิจารณาจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วก็ใคร่ควรจนกว่าจะสามารถพูดได้อย่างคล่องปากคล่องคออันนี้คือข้อสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาก็ต้องจำอีกเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกของจิตเวทนาคือความรู้สึกของจิตเนี่ยต้องแบ่งเป็นความรู้สึกจาพวกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จพวกสุขนด้แก่อะไร ไม่สุขไม่ทุกข์คืออะไรจำพวกทุกข์เป็นจำเพท h ์อย่างไรคือไปหาข้อมูลแล้วก็จำเวทนาทั้งหยาบประณีละเอียดเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติอย่างไรงธรรมชาติอย่างไรก็ั้งทองธรรมชาติคือเวทนาเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ได้มีเราอยู่ในเวทนา เวทนาเป็นสิ่งปรุงแต่งอันนี้คือการท่องท่องนะท่องให้จำก่อนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้แต่ว่าท่องให้จำข้อนี้ก่อนเอาสิ่งนี้มาท่องก่อนเวทนาเป็นสิ่งเกิดเราต้องดับเวทนาเป็นสิ่งปรุงแต่งเวทนาเป็นสิ่งเป็นทุกข์เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเวทนาเป็นความรู้สึกของจิตเวทนามีเพราะมีผัสสะ ถ้าไม่มีภาษะก็ไม่มีเวทนานี่คือต้องท่องไม่ใช่ต้องเข้าใจคือท่องก่อนเมื่อท่องจนจําจนคล่องคล่องใจแล้วพร้อมจะดึงคำท่องออกมาได้ตลอดทีนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะไปหาคำตอบนะไปนั่งมองหาคำตอบเวทนาหน้าตาว่าคือความรู้สึกก็ไปดูที่ชนิดที่เป็นความรู้สึกมีอะไรบ้าง สุขเวทนาหน้าตาเป็นยังไงทุกเวทนาหน้าตาเป็นยังไงอทุกกรมสุขนาหน้าตาเป็นยังไงความรู้สึกอย่าปราณีตละเอียดหน้าตาเป็นยังไงเวทนาเกิดจากภาษามันเป็นยังไงไปดูของจริงเวทนาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้มันเป็นยังไงหน้าตาบังคับไม่ได้เวทนาเป็นสิ่งเกิดดับ้เกิดดับมันเป็นยังไงตัวหนึ่งเกิดขึ้นตัวหนึ่งดับไปมันเป็นยังไง ไปทำการเล่าเรียนให้รู้แล้วก็จำจําให้คล่องใจจาให้ติดลึกจําให้แน่นจําให้ไม่หลุดจำให้มันมีอยู่กับตนทุกเวลาที่ต้องการจะดึงขึ้นมาก็มีตลอดนี่คือจำก่อนไปจำสัญญาคืออะไรสังขารวิญญาณคืออะไรไปหาข้อมูลธรรมชาติเป็นอย่างไรก็ท่องเหมือนกั น, นธรรมชาติเป็นอย่างไร นี่คือการจำอย่างเดียวเลยจำแล้วก็ท่องท่องแล้วก็จำวันๆแค่นั่งท่องจานี่ก็กิจอย่างหนึ่งแล้วที่ต้องจำให้ติดอย่าเพิ่งเริ่มฟังเข้าใจฟังเพื่อเข้าใจแล้วก็ไม่เคยเข้าใจสักทีแล้วก็ลืมหมดจำให้ติดก่อนว่าอะไรควรจำนี่คือขั้นตอนอย่างนี้คนสมัยพุทธกาลภิกษุทั้งหลายเขาทำกันเขาไม่มีซดีก็เลยไม่ต้องมานั่งฟังกันตลอดเวลา เวลาฟังพระเจ้าก็จะตั้งใจฟังมากเพราะกลัวจำไม่ได้นี่คือข้อดีคือพอฟังจะต้องตั้งใจสูงเพราะกลัวจำไม่ได้แต่พอมีซีดีมีอะไรให้ฟังนี่เวลาฟังก็จะไม่ค่อยตั้งใจบางคนถึงจดเนี่ยพอ้งจดเวลาจะจดมันฟังมันจะไม่ค่อยตั้งใจเพราะจะเก็บอย่างเดียวมันไม่ปล่อยใจไปในธรรมจริงๆการฟังนี่เสียไปเลย แต่พอไม่มีเรื่องการจดไม่มีเรื่องการบันทึกเนี่ยเวลาฟังเนี่ยก็จะฟังด้วยสมาธิมากๆฟังมากๆเพื่อเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วพอหยุดฟังเ็าจะย้อนทบทวนถึงสิ่งที่ฟังแล้วท่องเลยกลัวจะหลุดท่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปทาความเข้าใจทีหลังเขาท่องเลยเขาเรียกสาสตรายย้อนนึกถึงที่ฟังเอาคานั้นมาท่องเอาคานี้มาท่องเอาฉากนั้นมาท่องกลัวลืมแล้ว เอาไปใขกลวงอ น, นี้คือข้อของการการศึกษาที่แท้จริงในกลางพุทธการนี่คือเรื่องขันรู้จักธรรมชาติของขันต่อมาท่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสปัตภทธรรมลมรูปได้แก่อะไรเสียงกลิ่นรสปัตภธมลมได้แก่อะไรนี่คือท่องเอามาท่องเรื่องทุกข์สัตว์ได้แก่เรื่องขันเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปัตภทธรรมลม นี่คือท่องเรื่องทุกข์สัตริย์ก่อนต่อมาเรื่องเหตุเกิดทุกข์ทองเหตุเกิดทุกข์ได้แก่อะไรก็เรียนมาเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์คำว่าเหตุเกิดทุกข์หมายถึงอะไรคำว่าเหตุเกิดทุกข์ก็หมายถึงเหตุเกิดชาติเหตุที่ทําให้มีการเวียนว่ายตายเกิดนี้คือเหตุเกิดทุกข์ทองต่ออีกเรียนว่าเหตุเกิดทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์ตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์ ปัญหาคือเหตุเกิดทุกข์มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ยังไงตัญหาเป็นเหตุเกิดทุกข์คือตัญหามันทาให้มีอุปาทานมีอุปาทานจึงมีภพมีภพจึงมีชาตินี่คือต้องท่องเพราะมีตัญหาจึงมีอุปาทานมีอุปาทานจึงมีภพมีภพจึงมีชาติมีชาติจึงมีชรามีมรณะมีทุกข์มีโศกมีพลัดพรากมีคับอกมีคับแขนใจนี่คือท่องไม่ได้ไม่ได้ให้เข้าใจนี่คือท่องว่าเหตุเกิดทุกข์คือแบบนี้ ว่าเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาถ้าไม่มีอุทานมีอุทานจึงมีภพมีภพจึงมีชาติมีชาติจึงมีทุกข์นี่คือท่องแล้วตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยต้องดูอีกว่าอะไรคือตัณหาตัณหาชนิดที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรไปศึกษาให้รู้ตัณหาชนิดเป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาชนิดไหนจึงเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องไปเรียน ต a a ันหาชนิดที่เป็นภายในที you? You it> it ่นอนเนื่องอยู่ในภายในหรือตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมหรือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาไอ้นี่คือท่องท่องแล้วค่อยไปหากามตันหาคืออะไรอะไรคือกามตันหาอะไรคือภวะตันหาอะไรคือวิวิภวะตันหาอะไรคือตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมนี่คือไปเรียน ก็ไปท่องอะไรคืออุปทานอุปทานคืออะไรกำอุปทานก็ได้แก่อุปทานทั้ง4ี่อุปทานทั้งสี่คืออะไรกาโมปทานทิฏฐปาทานสีระพัตตุปารทานอัตวาทุปาทานอุปทานทั้งสี่คืออะไรไปท่องอีกไปหาแล้วก็ไปท่องพบคืออะไรอะไรคือพบไปหาแล้วก็ไปท่องชาติคืออะไรอะไรคือชาติไปหาแล้วก็ไปท่อง ต่อมาหาลึกไปอีกที่จะต้องท่องอีกว่าตันหาทํามีอุปทานได้ยังไงเพราะมีตัญหาจึงมีอุปทานเนี่ยตันหาทํามีอุปทานได้ยังไงอุปทานมีจึงมีภพมันมีภพได้ยังไงภพมีจึงมีชาติมันมีชาติได้ยังไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปเล่าเรียนเพื่อให้รู้เพื่อให้ได้รู้เนื้อหาและพอได้รู้เนื้อหาก็ไปท่องจาท่องจำ ข้อนี้ต้องไปศึกษาแล้วในรายละเอียดซึ่งอาจารย์กเทศไว้แล้วในหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ควรทำคือไปฟังแล้วท่องอย่าเพิ่งรีบไปเข้าใจนะไม่เข้าใจง่ายพอไม่จำอะไรเลยเนี่ยไม่จำแม้ว่าตัญหามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงไม่จำแม้อุปทานได้แก่อุปทา น, นชนิดไหนบ้างไม่จาเรื่องภพมั้งมีกี่ชนิดเนี่ย พอมันไม่จำเนี่ยมันลืมหมดอ่ะฟังมันยากที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างนั้นต้องจำจะจำได้ก็คือต้องท่องทบทวนใคร่ควรสาทยายนี่คือเหตุเกิดทุกข์ในชั้นแค่จำถ้ายังจำไม่ติดเนี่ยไม่เหลืออะไรข้างในจำก่อนแล้วถ้าจำไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกเข้าใจแล้วมันลยลอยเลื่อนๆมันไม่มีหรอกเข้าใจแล้วพูดไม่ได้ เข้าใจแล้วต้องชัดเจนคำว่าเข้าใจคือมันชัดไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วพูดไม่ได้เข้าใจแล้วอธิบายไม่ถูกเข้าใจแล้วมันลอยๆยังไงก็ไม่รู้แต่พอพูดเนี่ยเข้าใจหมดมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกถ้าเข้าใจนี่ชัดเลยพูดออกมาได้เลยเหมือนเราเข้าใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราอธิบายได้เลยนั้นข้อนี้ไอ้ที่ว่าเข้าใจเนี่ยมันหมายถึงต้องพูดได้ตอบได้ถามปุ๊บตอบได้ ถามปุ๊บตอบตรงเลยนี่คือคำว่าเข้าใจแต่ถ้าบอกเข้าใจแต่ตอบไม่ได้ตอบไปไหนก็ไม่รู้นี่ยังไม่เข้าใจแค่คิดเองว่าเข้าใจแต่ยังไม่ได้เข้าใจนี่คือเหตุเกิดทุกข์ที่จะต้องเรียนนี่คือเรื่องที่ต้องเรียนเรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์กนี่คือเรื่องต้องเรียนและต้องไปหาข้อมูลและต้องไปท่องให้จํา เมื่อจำแล้วต้องเข้าใจให้ได้ว่าตันหามันทำไมมีวัฏฐานยังไงเข้าใจเลยมีวัฏฐานทำาไม่มีภพได้ไงเข้าใจเลยมีภพจึงมีชาติมันทายมีชาติได้ไงเข้าใจเลยนี่คือสิ่งที่ต้องไปเรียนให้เข้าใจไปไขควนจนเข้าใจถ้าเข้าใจได้มันจะอิ่มอิ่มเรื่องความรู้เรื่องนี้ถ้ายังเข้าใจไม่ได้มันไม่อิ่มมันจะหาอยู่เรื่อยมันจะฟังไม่เลิก มันจะฟังอยู่นั่นเพราะมันยังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเข้าคอร์สไม่เลิอกอ้ทีเนี่ยมันจะฟังอ ย, อยู่นั่นเพราะไม่ยอมเข้าใจจริงๆ ต, ต้องเข้าใจจริงๆต่อมาเรื่องความดับทุกข์ก็ต้องเรียนให้รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรต้องเรียนให้รู้เป็นบริยัิความดับทุกข์อยู่ที่ความสิ้นตัณหานี้ก็ต้องท่องลว่าความดับทุกข์อยู่ที่ความสิ้นตัณหา สิ้นความต้องการทุกสิ่งหรือความดับทุกอยู่ด้วยอยู่ในจุดที่จิตไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงนี่ต้องท่องเลยท่องเลยว่าความดับทุกอยู่ที่ความสิ้นตัณหาความดับทุกหรือนิโรธอริยสัต์อยู่ที่ภาวะของจิตเขาถึงสภาพที่ไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงจากภายในแล้วความดับทุกคือ สภาพที่จิตระงับสังขารสภาพที่จิตหยุดปรุงสภาพที่สัญญาเวทนาเจตนาภัษามนศิการดับสนิทให้ปรากฏนี่คือความดับทุกข์จิตจะแสดงกิริยาอย่างนั้นอันนี้คือข้อที่ต้องศึกษาต้องจำต้องจำต้องท่องและความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทาให้แจ้ง เมื่อใดก็ตามถึงคําว่าแจ้งมันมีมุมเดียวเท่านั้นมุมคือถึงแล้วจึงแจ้งได้ถ้าไม่ถึงไม่มีทางที่จะใช้คําว่ารู้แจ้งต่อนิพพานได้นิโรธาเรียสัจกิตก็คือต้องทําให้แจ้งคําว่าทําให้แจ้งก็คือต้องถึงเท่านั้นจึงจะแจ้งนอกกนั้นได้แค่รู้รู้เป็นภาพแผนที่ไว้เท่านั้นว่านิพพานหรือความดับนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร ความดับอยู่ที่ไหนทำยังไงถึงดับอะไรสิ้นไปความดับถึงปรากฏนี่คือต้องรู้เข้าใจว่านิโรธคือความดับและเจ้าความดับความระ ง, งับสังขารเนี่ยอยู่ที่ความสิ้นตัณหานี่คือต้องจบและสภาพที่จิตดับระ ง, งับเนี่ยคือสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนิสสิกานนั้นขาดไปขาดหรือดับไป เราสามารถจินตนาการได้ว่าสัญญาดับก็คือมันไม่ปรากฏขึ้นในใจเวทนาดับคือมันไม่ปรากฏขึ้นในใจเจตนาดับก็หมายถึงเจตนาหรือความตั้งใจในขณะนั้นต้องไม่มีปรากฏขึ้นในใจคําว่าดับก็คือมันไม่ไม่เกิดมันไม่ปรากฏผัสสะดับก็หมายถึงว่าจิตไม่มีการเชื่อมกระทบถึงสิ่งทั้งปวงไม่มีผัสสะ มาในสิการดับก็หมายถึงจิตหยุดการกระทําทั้งปวงทั้งหมดกิริยาหยุดหมดนี่คือหน้าตาความดับหรือความระ ง, งับสังขารเราสามารถที่จะเข้าใจเขาได้ในระดับหนึ่งแต่เราต้องรู้อย่างปริยัติก่อนว่าความดับหรือความสิ้นตัณหา เ, เมื่อสิ้นตัณหาแล้วจิตมันดับหรือระ ง, งับสังขารเนี่ยอะไรดับ สิ่งที่ดับก็คือสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนุษสิการเนี่ยมันดับแต่ไอ้เจ้าความดับตัวเนี้ยจะดับได้ที่ความสิ้นตัณหานี่คือต้องจําต้องจํไนะจําก่อนไม่ใช่เข้าใจต้องจําก่อนว่าความดับหรือนิโรธอริยสัจอยู่ที่ความสิ้นตัณหาอันนี้ต้องท่องและเมื่อสิ้นตัณหาแล้วสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนสิการจะดับ จิตจะระงับสังขารภาวะอันนี้เรียกสัญญาเวทยิตตานิโรธอันนี้ก็ต้องท่องฟังแล้วท่องเนี่ยท่องคำคำกันเป็นคำคำนี้คือท่องต่อมาค่อยเอาสภาพนี้มันนั่งแกะว่าเออถ้าสัญญาดับในจิตมันเป็นยังไงเวทนาดับแล้วจิตมันเป็นยังไงเจตนาดับแล้วจิตมันเป็นยังไงภาษะดับแล้วจิตมันน่าจะเป็นยังไง จิตหยุดกิริยาไม่มีการกระทาณภาวะขณะอย่างนั้นจิตมันเป็นยังไงอันนี้ค่อยมาทาความเข้าใจเรื่องนิโรธต่อมาเรื่องมัคมัคเป็นสิ่งที่ต้องฟังแล้วจำก่อนมัคได้แก่ทางปฏิบัติให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์ น, นี้ก็ต้องจำว่ามัคคือวิธีปฏิบัติเพื่อได้มาซึ่งความดับทุกข์เนี่ยต้องจาคานี้ด้วย มักได้แก่อะไรก็จําได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องการคิดที่ถูกต้องการพูดการกระทําที่ถูกต้องทั้ง8ประการต้องจํามักมีประกอบได้8ตัวก็ต้องท่องก็มี8ตัว8สิ่งได้แก่อะไรก็ต้องท่องจําทุกตัวได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้แก่อะไรได้แก่ความเห็นแจ้งอริยศาสตร์อันนี้ก็ต้องท่องว่าสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นแจ้งอริยศาสตร์ สัมมาสังกัปปะคือความดําบริชอบได้แก่ดํางบริออกจากการพยาบาทเบียเบียนสัมมาวาจาได้แก่การพูดจเจ้าถูกต้องได้ก็คือเว้นพูดเท็จพูดหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อสเสียนนี่ก็ต้องท่องสัมมากรรมันต์ตาอาชีวะวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็ต้องท่องท่องเลยต้องท่องในแต่ละตัวคืออะไรท่องให้จําถามปุ๊บตอบได้เลยว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไร สมาวายามะคืออะไรสมาสมาธิได้แก่อะไรอะไรคือสมาธิในแบบสมาสมาธิชั้นหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงชั้นสองหน้าตาเป็นยังไงตอบได้ชั้นหนึ่งจิตสงัดจากกามและอกุศลเข้าถึงความสงบเหมันเกิดจากวิเวกมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอก ก, ะกะตาเข้าถึงแล้วแลอยู่นิชั้นหนึ่งชั้นสองเมื่อสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติสุขเอกัตกตาเข้าถึงแล้วแลวอยู่ชา้นสามชั้นสี่ไปฟังแล้วท่องท่องให้จำพอท่องให้จำได้ต่อมาค่อยไปหาหน้าตามักจะต้องไปฟังแล้วก็จำมักแปตัวมีอะไรไปท่องต่อมาเมื่อท่องจำแล้วก็ไปทำความเข้าใจ ทางเขาเข้าใจเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยได้แก่ความเห็นแจ้งอริยศาสตร์สัมมาทิฏฐินั้นมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรจะบ่มเพาะให้สัมมาทิฏฐิมีขึ้นนั้นต้องทํำยังไงนี่คือเรื่องของมรรคสัมมาสังกัปปะได้แก่อะไรมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรจะทําให้สัมมาสังกัปปะมีขึ้นนั้นต้องทํำยังไงสัมมาวาจานั้นเป็นอย่างไร อบรมไปเพื่อประโยชน์อะไรอบรมแล้วจะได้อะไรแล้วทำยังไงสัมมาวาจาถึงสมบูรณ์สัมมากรรมตะอาชีวะ เ, เหมือนกันหมดทุกตัวต้องรู้ทั่วถึงยิงข้อสำคัญคือสัมมาสติเนี่ยเป็นเรื่องระบบพิปัสนาดิ้ต้องศึกษาเลยว่าสัมมาสติได้แก่อะไรได้แก่การตามเปลึกต่อกายเวทนาจิตธรรม กายคืออะไรเวทนาคืออะไรระลึกต่อจิตคืออะไรระลึกต่อธรรมคืออะไรไปศึกษาให้ได้ข้อมูลแล้วจามีความเข้าใจในเรื่องมัฟมีความเข้าใจกระจ่างในเรื่องสติปัฏฐานนี่คือหลักๆสําคัญมากๆพอจะสรุปใจความว่าหลักที่ต้องเรียนและต้องเรียนให้รู้และจําแค่จำเนี่ย คือเรื่องอริยสัจสี่ให้รู้อริยสัจทั้งสี่คืออะไรในภาพรวมทั้งสี่คืออะไรต้องจําและในรายละเอียดก็คือให้รู้เรื่องขันเรื่องรูปสิ่งกิดลดผพัฒธรรมลมให้ไปรู้เรื่องนี้และให้จําเรื่องขันให้รู้ให้จําเรื่องขันและก็ให้จําเรื่องกัร เข้าถึงธรรมชาติของขันด้วยความไม่ได้มีเราไม่มีสัตว์มีบุคคลไม่มีตัวตนการบังคับไม่ได้การเป็นสิ่งปรุงแตง่งการเป็นสิ่งเกิดดับการที่ขันเกิดจากเหตุปัจจัยการที่ขันเกิดจากอะไรดับยังไงมีคุณอะไรมีโทษอะไรนี่คือการไปเรียนให้รู้แล้วจำแล้วท่องให้ได้แล้วจำก่อนอยังไม่ต้องทำาเข้าใจเรียนให้รู้แล้วจาท่องตามจาท่องตา ม, ตามจำเลย นี่คือเรื่องขันที่ต้องเรียนหนีไม่ได้กับเรื่องหลักๆที่ต้องเรียนคือเรื่องมรรคมรรคต้องเข้าใจมรรคทั้งระบบมรรคนี้ต้องเข้าใจทั้งระบบด้วยนี่คือรายละเอียดเข้าใจเรื่องอริยสัจในภาพรวมเข้าใจมรรคในรายละเอียดในแต่ละตัวที่จะต้องอธิบายตัวเองได้เลยว่ามรรคทางานอย่างไงระบบเป็นยังไงมรรคทาให้สิ้นอาสวะได้อย่างไรมองภาพออกเลย สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องสติปัฏฐานเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นระบบการเจริญวิปัสนาต้องเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่ออบรมแล้วมันเป็นวิธีที่ทําให้เกิดปัญญามันทาให้เกิดยังไงจะเจริญสติเวฐานจเจริญยังไงศึกษากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกระบวนการของการทําให้แจ้งต่อกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยทำยังไงศึกษาให้เข้าใจ คำว่าหเห็นแจ้งกายเวทนาจิตธรรมแล้วพอเห็นแจ้งลุถึงความแจมแจ้งแล้วเนี่ยความแจมแจ้งนั้นมันออกผลเป็นความรู้เรื่องอริยสัจ4ี่และมันทําให้เกิดความรู้เรื่องอริยสัจได้อย่างไรนี่คือการศึกษาเพื่อตามหาความรู้เรื่องอริยสัจเรื่องขันเรื่องมรเรื่องสติปัฏฐานนี่คือเรื่องหลักๆให้เข้าใจ นี่คือเข้าใจเรื่องหลักๆที่จะมีความจําเป็นต้องไปศึกษาแค่เพียงเท่านี้พอแล้วอีกข้อหนึ่งศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปหากรรมฐานและกรรมฐานที่ง่ายเหมาะกับทุกจริตคืออานาปานสติก็ไปศึกษาอนาปานสติวิธีนั่งวิธีกำหนดทำให้นิ่งแล้วทำเยอะ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษาประกอบคือศึกษาเรื่องวิธีทําสมาธิกับสิ่งที่ควรต้องศึกษาให้จําต้องจํานะีก็คือเรื่องอริยสัจทั้ง4ต้องจำเลยว่าทุกเหตุกับทุกความดับทุกมรคืออะไรอะไรคือทุกอะไรคือเหตุกับทุกอะไรคือความดับทุกข์อะไรคือมรค ก, กับจําลงในรายละเอียดว่าทุกก็คือเรื่องของขันต้องไปเรียนให้รู้แล้วจําเหตุกิดทุก ตันหาอุปทานพบชาติเนี่ยก็จําต่อมาก็ค่อยไปทําความเข้าใจเรื่องความดับทุกข์ก็ต้องจําเรื่องมรรคก็ต้องจําแต่เรื่องที่สําคัญคือเรื่องขันกับเรื่องมรรคเนี่ยต้องจําก่อนต้องเข้าใจก่อนมีวันคืนที่ต้องทําความเข้าใจให้กระชับก่อนคือเข้าใจเรื่องขันห้าให้แจม่มแจง้งเข้าใจเรื่องมรรคให้กระจ่างจนสามารถมองภาพการปฏิบัติออก เข้าใจสติปัฏฐานสี่ให้กระจ่างจนสามารถเข้าใจระบบการเจริญวิปัสนาได้บริสุทธิ์ถูกต้องจนสามารถที่จะเอาไปเจริญสติปัฏฐานสี่ได้ด้วยตัวเองรู้ว่าจะเจริญสติปัฏฐานทำอย่างไรหรือว่าจะอบรมมัคทั้ง8ดที่มีขึ้นเป็นขึ้นนะ่ะทำยังไงหรือว่ามัคทั้ง8จะทําให้สิ้นอาสวะได้อย่างไรหรือว่ามัคแต่ละตัวจะให้ประโยชน์อย่างไรนี่คือกระจ่างเรื่องมัค ก, กระจ่างเรื่องขัน กระจ่างเรื่องสติปัฏฐานรวมแล้วสามารถเข้าใจภาพของอริยสัตว์ทั้ง4ได้เข้าใจเรื่องขันคือเข้าใจเรื่องทุกเข้าใจเรื่องมรคคือวิธีได้มาซึ่งความดับทุกเข้าใจมรคแท้จริงก็ต้องรู้เรื่องสติปัฏฐานถ้าไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานก็ยังไม่เรียกว่าเข้าใจมรคและจะเข้าใจครบสมบูรณ์อีกก็คือ เข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข์วัตันหาทําให้มีวัทฏานพบชาติได้อย่างไงเข้าใจเรื่องความดับทุกข์รู้ว่าความดับทุกข์อยู่ที่ความสิ้นตัณหาแล้วพอสิ้นตัณหาแล้วสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนิสิกานดับได้อย่างไรเมื่อดับแล้วจิตมันจะเป็นอย่างไงนี่คือเข้าใจนี่คือเขตความรู้แค่เพียงเท่านี้แค่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่ต้องรู้และเมื่อรู้แค่เพียงเท่านี้ ผลแห่งการรู้ที่ทำให้เราหยุดได้จริงคือต้องเข้าใจจริงพอเข้าใจมันจะอิ่มความรู้มันไม่อยากจะไปฟังอะไรอีกแล้วมันไม่อยากจะเข้าคอร์สมันไม่อยากจะหาครูแล้วอยากจะเอาเวลาทั้งหมดไปทำการเข้าใจให้กระจ่างให้ได้กับสิ่งที่เก็บจำมากับวัตถุดิบที่เก็บมาพอแล้วและอยู่ในใจครบดีแล้วเนี่ยไม่ต้องการข้อมูลอะไรมาเติมให้ลกอีกต่อไป เหลือแต่จะเอาข้อมูลนี้ไปทำการไคร้ควรให้กระจ่างให้ได้ด้วยตัวเองด้วยพลังด้วยความเปลี่ยนอยากจะหาที่วิเวกอยากจะหาเวลาว่างที่แท้จริงเอาข้อมูลทั้งหมดที่เก็บจำไว้ได้แล้วเนี่ยเอาไปไข้ควรเพื่อกลั่นเกลามรักผลนิพพานให้ปรากฏให้ได้ไอันนี้คือถูกต้อง แต่ถ้ายังลองเอาแต่ฟังฟังฟังฟังไม่คิดจำไม่คิดเก็บเนี่ยไม่มีทางได้อะไรเลยถ้าการปฏิบัติมันยังไม่เปลี่ยนแปลงวิถีการกระทำหรือวิธีการที่เคยใช้อยู่แล้วไม่บรรลุความสำเร็จก็ยังใช้แต่วิธีเดิมอยู่อย่างนั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นก็จะอยู่อย่างนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงการกระทาพระเเจ้าเนี่ย พอทําอย่างหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ใช่ท่านก็เปลี่ยนทรมานตนเพราะว่ามันไม่ใช่ท่านก็เปลี่ยนท่านเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเจอวิธีที่ใช่ถ้าเราตรวจตราตัวเองแล้วมันยังไม่ก้าวหน้ามันควรเปลี่ยนนี่พฤติกรรมการฟังทั้งหลายเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้เลยมันจะเรียนแล้วหยุดเรียนไม่ได้เลยเพราะมันไม่อิ่มเหตุที่ไม่อิ่มเพราะมันหายหมดเหตุที่ไม่อิ่มเพราะมันไม่เข้าใจจริง เหตที่เข้าใจจริงไม่ได้เพราะระดับการเอามาไข้ควรมันน้อยเพราะฟังแล้วก็จะเก็บเข้าใจตามฟังเพราะตอนฟังมันคิดไม่ได้เพราะถ้าคิดมันจะหยุดฟังทุกการฟังมันคิดไม่ได้นอกจากพอฟังแล้วต้องเข้าใจตามไปเท่านั้นจึงไม่ได้ฝึกการคิดไม่ได้ฝึกการไข้ควรในยามฟังมันไม่ได้คิดเพราะตอนคิดมันจะไม่ฟังเวลาฟังซีดีน่มันไม่ได้คิดเพราะถ้าคิดมันไม่ได้ฟัง ดังนั้นเมื่อความรู้ที่เกิดมันจึงไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากพลังการทาความเข้าใจแต่มันเป็นความเข้าใจตามที่นิสัยเราเคยมีมีปัญญาแค่ไหนพกมาน้อยก็เข้าใจได้เท่านั้นพกมามากก็เข้าใจได้เยอะมันไม่ได้ฝึกมันไม่ได้บ่มเพาะอะไรเลยนั้นการที่จะเกิดปัญญาเข้าใจและพัฒนาปัญญาจริงๆมันต้องเกิดการทำความเข้าใจ และการทำความเข้าใจหมายถึงมันต้องหยุดฟังเพราะเมื่อฟังมันจะไม่ทำความเข้าใจและเมื่อกำลังทำความเข้าใจมันฟังไม่ได้มันต้องทำความเข้าใจนั้นความก้าวหน้าของคนที่มันจะประสบความสำเร็จแค่ขั้นแรกหาสิ่งที่ควรฟังให้เจอว่าควรฟังแค่ไหนก่อนควรฟังแค่เรื่องอะไรต่อมา ควรจำในสิ่งที่ฟังให้กระชับให้มากที่สุดให้พอเพียงไม่ให้หลุดหายให้ได้ก่อนพอจำได้แล้วต่อมาไล่เก็บทำความเข้าใจไปจนกว่าจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต่อมาก็กระชับไปอีกจนกว่าจะขยับจากเข้าใจเป็นเห็นแจ้งแทงตลอดนี่คือระดับของการพัฒนา ก็เพิ่มเติมข้อปฏิบัติที่เราจะใช้เป็นกระจกส่องตัวเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของการศึกษาที่แท้จริงสิ่งที่คนโบราณเขาทํากันคือทําอย่างเช่นที่อาจารย์พูดนี้ทั้งสิ้นฟังจํานําสิ่งที่จําไปเดินสาธยายเหมือนท่องมนเดี๋ยวเดินท่องบนเหมือนคนกุ้มคลั่งท้องบนอยู่นั่นอยู่คนเดียว แล้วก็เอามาไข้ควรให้เข้าใจนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นอพอแล้วอนุมโมทนากัาบพระ